สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงการชั้นนี้วันนี้ค่ะเรามีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะโดวยกองทุนวิจัยภูมิคุ้มกรรมันบำบัดมะเร็งจุลานะคะคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัด ก, กิจกรรมระดมทุนด้วยการจำหน่ายผ้าพันคอเป็นประจำทุกปีค่ะถือเป็นการส่งต่อการให้จากจุดเริ่มต้นไปจนถึงผู้ซื้อเป็นของขวัญเพื่อมอบความสุขให้แก่ผู้อื่นและยังมอบโอกาสให้กับการวิจัยพัฒนาการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกรรมันบำบัดอีกด้วยค่ะ โดยจุดเริ่มต้นของโครงการระดมทุนได้วยการจำหน่ายผ้าพันคอไหมซ า, าตินเกิดขึ้นเมื่อประมาณปลายปี2560ค่ะโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับความการุณาจากอาจารย์พันศักดิ์จันกะภาคผึกศักย์ศิลปินสีน้ำชื่อดังระดับโลกที่ติดต่อมาเพื่อขอดำเนินการจัดทำผ้าพันคอแล้วก็ให้นำมาจำหน่ายเพื่อระดมทุนให้กับกองทุนวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาจำนวนหนึ่งพันผืน จากจุดเริ่มต้นนั้นก็ได้พัฒนาต่อย่อดจังกลายมาเป็นการผลิตภาพพันคอคอเล็กชั่นใหม่ในแต่ละปีค่ะ นอกจากอาจารย์พันศักดิ์จะเป็นทั้งศิลปินผู้วาดภาพและเจ้าของผลงานแล้วนะคะท่านยังเป็นผู้ติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของผู้ครอบครองภาพวาดสีน้ำนะคะเพื่อนำมาจัดพิมพ์ลงบนผ้า พ, พันคอในทุกครั้งอีกด้วยค่ะสำหรับผ้า พ, พันคอใหม่ซาตินคอร์เรคชั่นใหม่ที่จะวางจำหน่ายในปีนี้นะคะได้เลือกใช้ภาพดอกกุหลาบสีชมพูอันเป็นสีประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นสีแห่งความรักอยู่บนพื้นหลังสีเหลืองและสีฟ้าค่ะ ซึ่งเป็นสี่ประจําพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกันนี้นะคะยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลองการเปิดให้บริการของอาคารภูมิสิริมาคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยอย่างเป็นทางการและที่พิเศษมากขึ้นในปีนี้ก็คือมีผ้าพันคอรุ่นพิเศษขนาดหนึ่งจุดสี่คูณหนึ่งจุดสี่เมตรและสีพื้นหลัง สีน้ำเงินเขียวเป็นอีกหนึ่งแบบนะคะสำหรับผู้ที่สนใจได้เลือกซื้อกันอีกด้วยค่ะ และในปีนี้นะคะยังได้รับความอนุเคราะห์จากหลายองคอ์กรในการจัดจำหน่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นร้านจันกับผักมูลนิธิชัยพัฒนาสาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และห้างสรรพสินค้าเซ็นเท่านะคะสาขาชิดลมสาขาลาดพร้าวสาขาบางนาสาขาปิ่นเกล้าในแผนกแรกซื้อจากความยินดีและความร่วมมือของศิลปินเจ้าของผู้ครอบครองภาพวาดสีน้ำนอกจากนี้ค่ะยังมีหน่วยงานร้านค้าต่างๆร่วมด้วยค่ะ นอกจากนี้เงินบริจาคทุกทุกบาทของผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสมทบทุนผ่านช่องทางต่างๆนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการทำงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุลาอีกทั้งอยัางทำการวิจัยและทำการทดลองเพื่อพัฒนาแนวทางในการรักษามะเร็งหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือหนึ่งการวิจัยพัฒนาแอนติบอดีเพื่อการรักษามะเร็งสองการวิจัยภูมิคุ้มกันด้านเซลล์บำบัดมะเร็งและสามการวิจัยนีโอแอนติเจนและวัคซีนต่อมะเร็งค่ะ ผ้า พ, พันคอไหมซาตินลายดอกกุหลาบสีชมพูนะคะมีจำหนวนสองขนาดค่ะคือขนาดหนึ่งคูณหนึ่งเมตรราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทและขนาดหนึ่งจุดสี่คูณหนึ่งจุดสี่เมตรนะคะ Exclusive set นะคะราคาสองพันห้าร้อยบาทค่ะ คุณผู้ฟังสามารถเข้ามาสอบถามหรือว่าดูแบบลายภาพพันคอได้ที่เฟซบุ๊ก CU Cancer Immunotherapy Fund หรือว่าแอดไลน์แอด CU Cancer IEC นะคะนอกจากนี้อยังมีบริการจัดส่งทางไปรษณียสน์ในราคาค่าส่งห้าสิบบาทต่อพื้นค่ะ ขอเชิญชวนนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังมองหาของขวัญมาเลือกซื้อผ้า พ, พันคอของกองทุนวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุลาเพื่อมอบให้แก่คนพิเศษในโอกาสพิเศษต่างๆค่ะเพราะการให้ของขวัญชิ้นนี้นะคะไม่เพียงแต่จะเป็นการแสดงความรักให้แก่คนที่เราลักเท่านั้นแล้วนะคะแต่ยังเป็นการให้โอกาสแก่ศูนย์ความเป็นเลิศ ด, ด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อคิดค้นวิธีการรักษามะเร็งรูปแบบใหม่ให้คนไทยค่ะได้มีโอกาสในการเข้าถึง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 เอสคอร์ดออนเรดิโอช่วงสนทนารอบรัว้วช่วงสนทนารอบรั้วเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถดับเพลิงคันแรกของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยพร้อมกระเช้าช่วยกู้ภัยจากตึกสูงนะคะ อคักขีภัยถือว่าเป็นอุบัติภัยที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งหากเกิดขึ้นแล้วลูกกลามจนย่าวจนญาติต่อการควบคุมก็อาจทำให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตทรัพย์บสินและก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆค่ะ ด้วยความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยดังกล่าวนะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจึงได้จัดทำแผนป้องกันและระงับอักขีพยานค่ะรวมถึงนำมาปฏิบัติใช้และพัฒนายอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่ของระบบความปลอดภัยความพร้อมของเจ้าหน้าที่และเครื่องมือในการปฏิบัติงานโดวยล่าสุดค่ะได้นำรถดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัยนะคะในที่สูงมาใช้ภายในโรงพยาบาลเป็นคันแรกค่ะเรียกได้ว่าเป็นการยกระดับความพร้อมสำหรับภารกิจดับเพลิงภายในพื้นที่ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งค่ะ สำหรับที่มาของรถดับเพลิงคันแรกของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สืบเนื่องมาจากกรุงเทพมหานครหรือว่ากรทมอของเราเได้ประกาศปลดประจำการรถดับเพลิงที่ใช้งานมานานแล้วเพื่อที่จะให้หน่วยงานต่างๆได้ติดต่อขอรับแล้วก็นำไปใช้ในสาธารณะประโยชน์ต่อไปค่ะทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ติดต่อประสานงานไปยังกรทมเพื่อขอรับรถดับเพลิงปลดประจำการซึ่งทางกรทมก็ได้พิจารณาอนุมัติรถดับเพลิงของสถานีดับเพลิงสวนมะลิจำนวนหนึ่งคัน ให้แกโรงพยาบาลจุลาลงกรเป็นรถดับเพลิงสีแดงส้มขับเคลื่อนสี่ล้อชนิดมีหัวฉีดน้ำในตัวพร้อมบันไดายและก็กระเช้าสำหรับการกู้ภัยบนที่สูงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะรถคันนี้ก็จะสามารถส่งบันไดายขึ้นไปลำเลียงคนลงมาได้จากด้านนอกอาคารที่ระดับความสูงไม่เกิน15เมตรหรือประมาณตึกสูง5ชั้นค่ะ ซึ่งฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อมนะคะได้ทำการปรับปรุงรถนะคะในส่วนระบบไฮดรอลิกของบัตรได้พร้อมทั้งยางล้อรถให้มีสภาพพร้อมใช้งานอีกทั้งยังส่งทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวนหกคนของโรงพยาบาลจุฬาลงกรไปเข้ารับการฝึกอบรมกับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหาคนครค่ะจนมีทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้งานรถดับเพลิงอย่างถูกต้องก่อนจะนำรถดับเพลิงคันนี้นะคะมาประจําการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรเมื่อช่วงปลายปีพุทธศักราช255 561เพื่อทดแทนรถบรรทุกน้ำช่วยสนับสนุนการดับเพลิงที่เคยใช้งานมาก่อนหน้านี้ค่ะ รถดับเพลิงคันใหม่ของโรงพยาบาลจุลาลงกรเป็นรถดับเพลิงอเนกประสงค์สามารถใช้งานได้หลากหลายโดยเฉพาะการทำงานในพื้นที่สูงเช่นการตัดต้นไม้หรือว่าการเปลี่ยนหลอดไฟนอกอาคารนะคะซึ่งรถดับเพลิงคันนี้สามารถส่งบันไดและก็กระเช้าเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังช่วยให้ภารกิจดับเพลิงของโรงพยาบาลนั้นมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการระงับเหตุได้มากยิ่งขึ้นค่ะ ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เจ้าหน้าที่สามารถนำรถดับเพลิงจากบริเวณอาคารจอดรถสามเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุได้นะคะภายในเวลาไม่เกินสิบนาทีซึ่งแต่เดิมนะคะหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จะต้องรอความช่วยเหลือจากรถดับเพลิงของหน่วยงานภายนอกที่อาจใช้เวลาเดินทางยาวนานกว่าจะมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะ ปัจจุบันค่ะโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์มีแผนป้องกันและระงับอักขีภัยที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับการแจ้งเตือนภายใต้ระบบศูนย์แจ้งเตือนส่วนกลางที่จะมีเจ้าหน้าที่ประจำตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเมื่อตรวจพบควันไฟหรือว่าความร้อนระบบนี้จะแจ้งเตือนมายัางศูนย์แจ้งเตือนส่วนกลางผ่านหน้าจอวิดีโอวอล์ลซึ่งจะระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุภายในโรงพยาบาลได้อย่างแม่นยำค่ะ และจะแจ้งเตือนไปอยัางเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำอาคารที่เกิดเหตุด้วยซึ่งกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำอาคารจะดำเนินการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประจำอาคารทันทีค่ะก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ประจำการณ์ส่วนแจ้งเตือนส่วนกลางตลอด24ชั่วโมงจะเดินทางเข้าสนับสนุนภารกิจดับเพลิงโดยเร็วที่สุดค่ะ นอกจากนี้นะคะในทุกพื้นที่ของโรงพยาบาลสุราษฎร์กรุงก็ยังมีระบบแอคทีฟสำหรับการระ ง, งับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นนั่นก็คือสปริงเกอร์ดับเพลิงค่ะที่ติดตั้งไว้ตาวฟ้าเพดานในทุกพื้นที่ของโรงพยาบาลและจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะและก็มีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยและระ ง, งับเหตุเพลิงไหม้ในทุกๆอาคารอย่างน้อยอาคารละหนึ่งครั้งต่อปีค่ะ ถือได้ว่าเป็นมาตรการดูแลความปลอดภัยจากอาคีภัยที่มีมาตรฐานและรัดกลุ่มเป็นอย่างยิ่งนะคะพักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงความรู้คู่สุขภาพกันต่อค่ะรายการเรสคอร์ดออนรีดิโอ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 o Bye. レスคอร์ดออนเรดิโอช่วงความรู้คู่สุขภาพ เข้าสู่ช่วงความรู้คู่สุขภาพกันต่อเลยนะคะการเดินเป็นการออกกำลังกายที่ประหยัดที่ช่วยให้สุขภาพของเราแข็งแรงเผาพลานพลังงานในร่างกายป้องกันโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งเต้านมเหมาะกับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักมากและผู้สูงอายุเพราะเมื่อเปรียบกับการวิ่งการวิ่งก็จะทำให้เกิดแรงกระแทกต่อข้อต่อได้มากกว่าค่ะนอกจากนี้ผู้ที่ออกกำลังกายรายใหม่ที่เลือกที่จะวิ่งนั้นจะทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้ง่ายและเมื่อพยายาม ที่จะวิ่งต่อไปก็ยิ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำซ้อนเกิดผลเสียมากกว่าผลดีน้ำหนักก็ไม่ลดลงเด็กค่ะ ซึ่งหลายหลายคนนะคะอาจคิดว่าการวิ่งช่วยเผาผลาญพลังงานได้มากกว่าเดินแต่ในความเป็นจริงแล้วค่ะการเดินก็ช่วยเผาผลาญพลังงานได้มากเหมือนกันค่ะแต่เราจะทำอย่างไรให้ร่างกายสามารถเผาผลาญพลังงานได้มากขึ้นระหว่างเดินออกกำลังกายซึ่งปริมาณพลังงานที่คุณเผาผลาญได้นั้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวความเร็วและความรุนแรงขณะเดินรวมถึงระยะทางของการออกกำลังกายด้วยวันนี้เรามีหกเทคนิคที่จะพูดถึงต่อไปนี้ค่ะจะช่วยให้คุณผู้ฟังเผาผลาญพลังงานขณะออกกำลังกาย ได้มากขึ้นมีอะไรบ้างนั้นมาฟังกันเลยค่ะเริ่มจากการเดินให้ไกลขึ้นนะคะคุณผู้ฟังยิ่งเดินไกลมากเท่าไหร่ ก็หมายถึงการเผาผลาญพลังงานมากขึ้นเท่านั้นนะคะเป็นวิธีที่ง่ายและก็ดีที่สุดในการเผาผลาญพลังงานให้ได้มากขึ้นโดยที่คุณผู้ฟังสามารถเริ่มจากฝึกเดินให้ได้ระยะทางไกลขึ้นก่อนจากนั้นก็ให้เริ่มเร่งความเร็วแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเวลาที่เดินออกกำลังกายในแต่ละวันให้นานขึ้นกว่าเดิมค่ะเช่นระยะเวลาเดินจากสามสิบนาทีค่อยๆเพิ่มไปจนถึงหกสิบนาทีต่อครั้งและความถี่ในการออกกำลังกายจากสองวันต่อสัปดาห์ก็เพิ่มเป็นห้าถึงหกวันต่อสัปดาห์นะคะ เดินเร็วหรือเลสวอล์กนะคะการเดินด้วยความเร็วมากกว่าสิบสามนาทีต่อไมค์ค่ะจะช่วยเพิ่มการเราผาผลาญพลังงานต่อระยะทางที่เดินเพราะคุณผู้ฟังได้ใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นและในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังก็ได้สร้างกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นด้วยคุณผู้ฟังรู้หรือไหม่คะว่าการมีมวลกล้ามเนื้อที่มากจะช่วยให้คุณผู้ฟังเาผาผลาญพลังงานได้มากขึ้นแต่สิ่งที่ได้ผลที่เห็นชัดที่สุดนะคะก็คือคุณผู้ฟังจะเดินได้ไกลขึ้นแต่ใช้เวลาเท่าเดิมค่ะ การใช้ walking poles หรือการเดินแบบใช้ไม้ค้ำยันช่วยให้เดินเร็วขึ้นซึ่งเป็นอีกตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่ไม่สามารถเดินเร็วได้นะคะแต่อยากที่จะเผาพลานพลังงานต่อระยะทางที่เดินให้มากขึ้นซึ่งในปัจจุบันมีวิธีการออกกำลังกายแบบใช้ walking poles เพผยแพร่อยู่มากแต่เพื่อประสิทธิภาพในการออกกำลังกายก็ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อใช้งานได้อย่างถูกต้องค่ะ นอกจากจะเดินทางลาบแล้วนะคะคุณยังสามารถใช้ walking post นะคะเดินขึ้นเดินเขาหรือว่าบันไดได้ด้วยค่ะเพราะการเดินขึ้นเดินเขานะคะสามารถเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นได้มากถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์และสี่แคลอรี่ต่อนาทีสำหรับการขึ้นบันไดหรือถ้าหากคุณผู้ฟังนะคะชอบการวิ่งบนสายพานแนะนำให้ค่อยๆลองเพิ่มความชันของสายพานดูค่ะ การเพิ่มสปีดอินเทอร์เวลระหว่างการเดินเป็นการปรับเปลี่ยนความเร็วระหว่างเดินซึ่งสามารถเพิ่มความรุนแรงแล้วก็การเผาผลาญพลังงานได้มากขึ้นเช่นระหว่างเดินคุณผู้ฟังเร่งความเร็วในการเดินนานหนึ่งถึงสองนาทีจากนั้นค่อยๆชะลอความเร็วลงแล้วก็กลับมาเดินอย่างปกติหนึ่งถึงสองนาทีแล้วก็เร่งความเร็วใหม่อีกครั้งทำซ้ำวนแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้เดินได้ไกลขึ้นแต่ระยะเวลาเท่าเดิมและทำให้เดินได้เร็วขึ้นด้วยค่ะ แบกน้ำหนักเพิ่มขึ้นความซึมแล้วนะคะวิธีนี้ไม่แนะนำค่ะเนื่องจากการแบกน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะคะหมายถึงการเพิ่มความเครียดให้กับข้อต่อของคุณผู้ฟังค่ะแต่หากคุณผู้ฟังอยากทำนะคะแนะนำว่าควรใช้น้ำหนักน้อยกว่าสิบปอนหรือสี่จุดห้ากิโลก ร, รมัมและใส่ไวในกระเป๋าสะพายหลงังหรือชุดถ่วงน้ำหนักที่สะโพกเพื่อที่ร่างกายยังสามารถรักษาสมดุลไว้ได้การเดินด้วยท่าทางที่ไม่เหมาะสมจากการเพิ่มน้ำหนักผิดที่นะคะเช่นที่แขนหรือว่าขามัน สามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้ค่ะและอาจได้ผลเสียมากกว่าผลดีค่ะเผาผลาญพลังงานขณะหลับโดยการสร้างกล้ามเนื้อให้มากขึ้นปกติในขณะที่คนเราหลับหรือว่าในเวลาที่ร่างกายได้พักโดยที่ไม่มีกิจกรรมอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องร่างกายก็ยังมีการใช้พลังงานอยู่ตลอดเวลานะคะโดยเราสามารถคำนวณหาค่าที่เรียกว่า BMR ก็คือจำนวนพลังงานที่คุณผู้ฟังเผาผลาญไปขณะพักในแต่ละวัน ดังนั้นการมีมวลกล้ามเนื้อที่มากขึ้นโดยการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ก็จะช่วยให้ร่างกายนั้นมีการเผาผลาญพลังงานขณะพักเพิ่มมากขึ้นค่ะการเดินออกกำลังกายถือเป็นกิจกรรมที่ดีอย่างหนึ่งค่ะประหยัดค่าใช้ใจ่ายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงห่างไกลาจากโรคภัยได้เป็นอย่างดีและเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแต่สำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักหรือว่าเพิ่มการเผาผลาญในการเดินนะคะวิธีที่แนะนำไปข้างต้นนั้นจะสามารถช่วยคุณผู้ฟังได้ค่ะ ที่สำคัญนะคะนอกจากการออกกำลังกายก็คือในเรื่องของการดูแลเรื่องอาหารการกินหรือว่าควบคู่กันไปทั้งสองอย่างก็จะทำให้คุณผู้ฟังประสบความสำเร็จได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการเรสคอร์ดออนเรดิโอ